วันนี้บีมีเรื่องเล่านะคะจากทางบ้านค่ะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนอื่นบีก็ต้องกราบขอบพระคุณและก็ขออนุญาตทางเว็บไซต์พันทิปกระทู้ผีด้วยแล้วก็เจ้าของเรื่องนะคะที่ใช้ชื่อบน Facebook ว่าคุณอะไรนะนะคะเป็นเรื่องที่คุณอะไรนะเนี่ยเจ้าของ Facebook เนี่ยบอกว่าผมเป็นเด็กวัดครับแล้ววัดที่ผมอยู่ก็เป็นวัดป่าในจังหวัดทางแถบภาคเหนือก็เลยทําให้เจอกับประสบการณ์แปลกๆ มีหลายคนบอกว่าผีนั่นแหละค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ขนหัวลูกเกี่ยวกับสับเปลือกท่านหนึ่งที่แกเนี่ยเล่นไม่ซื่อค่ะไปขโมยเอาเงินจากศพมาคือวัดที่เจ้าของเรื่องอยู่เนี่ยนะคะมีพระอาจารย์อยู่เพียงรูปเดียวนานๆทีจะมีพระรูปอื่นมาบวชบ้างแต่ว่าพอบวชแล้วก็ อยู่ได้ไม่นานแล้วค่ะเพราะว่ามันลาบากไม่ค่อยสบายเหมือนวัดในเมืองเวลาจะออกไปบินทบาทก็ต้องเดินค่อนข้างไกลและถ้าวันไหนได้ออกไปบินทบาทวันนั้นก็จะกลับมาไม่ทันฉันเช้าก็ต้องข้ามไปรอฉันเพงกันเลยรอบเดียว เจ้าของเรื่องนี่มีหน้าที่ตื่นแต่เช้ามาทําอาหารให้พระอาจารย์ในทุกวันที่ไม่ได้ออกไปบินธบาตแล้วอาหารที่ทํานี่ยก็จะเป็นพวกผักเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าอยากจะกินของดีๆอร่อยๆหรือพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องรอเพียงอาทิตย์ละวันเท่านั้นเพราะว่าต้องรอให้พระอาจารย์ออกไปบินธบาติหรือไม่ก็ต้องรอให้ญาติโยมเนี่ยนำมาถวายนะคะแล้วประสบการณ์ขนหัวลุกที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละ ซึ่งจะบอกว่าหน้าหนาวสมัยก่อนเนี่ยคือหนาวมากค่ะมันจะไม่เหมือนกับสมัยนี้นะคะช่วงเช้าวันนั้นประมาณสักหกโมงเช้าเห็นจะได้หลังจากที่พระอาจารย์สวดมนต์เช้าเสร็จท่านก็เดินออกมาจากศาลาท่านก็เดินมาเจอลุงปันค่ะซึ่งเป็นสับ ป, ปะเล อ, อยู่ที่หน้าศาลาพระอาจารย์กับลุงปันก็ยืนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเจ้าของเรื่องก็ขอตัวแยกไปทําอาหารที่จะถวายพระอาจารย์ให้ทันฉันเช้า แล้วลุงปันกับพระอาจารย์ก็เข้าไปคุยกันต่อในศาลาแต่ว่าครู่เดียวเท่านั้นนะคะลุงปันนี่ก็ปั่นจักรยานกลับไปแล้วก็หลังจากที่ทำอาหารเสร็จก็ยกไปถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าวันนี้จะไปฉันเพนที่บ้านลุงปันก็เลยคิดอสบายแล้ววันนี้ได้กินของอร่อยแน่ จากนั้นก็รีบไปเก็บของใส่ ย, ย่ามเตรียมไว้ให้พระอาจารย์ค่ะพอพระอาจารย์ฉันเช้าเสร็จก็เตรียมตัวออกเดินทางทันทีเพราะว่าระยะทางจากวัดไปบ้านลุงปันเนี่ยค่อนข้างไกลพอสมควรพอมาถึงที่บ้านลุงปันค่ะแกก็เดินมานิมนต์พระอาจารย์ให้ขึ้นไปบนบ้านแต่คุณผู้ฟังค่ะบรรยากาศข้างในบ้านของแกเนี่ยมันดูวังเวงแล้วก็น่ากลัว ย, ยังไงชอบกลลุงปันแกก็รีบบอกกับพระอาจารย์ทันทีแกบอกว่ามันอยู่หลังบ้าน พระอาจารย์ก็เลยให้เดินไปดูพอเดินไปดูที่หลังบ้านค่ะก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แคร์ก็เลยเดินกลับมาบอกพระอาจารย์ว่าลูกลุงปันนั่งอยู่แคร่หลังบ้านครับลุงปันแกสวนขึ้นมาทันทีเลยบอกนั่นไงหลวงพ่อมันยังอยู่แล้วแกก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังค่ะแกบอกว่าวันนั้นอยู่ๆลูกสาวลุงปันเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพมาที่บ้านลุงปันแกก็ตกใจว่าอา้าวลูกแกกลับมาทําไม เพราะว่าลูกสาวแกเพิ่งไปทำงานที่กรุงเทพได้ไม่นานแต่ว่าพอลูกสาวเจอหน้าแกเท่านั้นกลับร้องไห้เป็นวักเป็นเวรไม่ยอมหยุดเลยค่ะลุงปันแกก็ถามลูกสาวแกบอกว่าเป็นอะไรลูกสาวแกก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าโดนเพื่อนยืมเงินไปและเงินที่เพื่อนยืมเนี่ยก็เป็นเงินเก็บทั้งหมดของเธอแต่ว่าหลังจากที่ได้เงินไปแล้วเพื่อนของลูกสาวแกก็หายไปเลยไม่ยอมโผล่หน้ามาให้เห็นอีก ลุงปันแกก็บอกกับลูกสาวว่าเหี ย, ยไปคิดมากเดี๋ยวแกจะช่วยเองหลังจากนั้นก็มีคนมาตามนะคะให้แกไปทําศพศพหนึ่งศพนั้นเป็นศพของผู้หญิงค่ะแต่ว่ายังไม่แก่นะแล้วก็ก่อนวันที่จะเผาเนี่ยลุงปันแกถือวิาสาสะเอาเงินที่ญาติญาติใส่ไว้ในโรงแล้วก็ใส่ไว้ในปากของศพและแกก็บอกกับศพว่าเงินตรงนี้เนี่ยขอยืมนะพร้อมทั้งบอกชื่อคนที่ยืมไปด้วยหลังจากนั้นแกก็เอาเงินตรงนั้นไปซ่อนค่ะ หลังจากที่เผาศพเรียบร้อยแล้วแกก็กลับมาบ้านแล้วบอกกับลูกสาวว่าให้กลับกรุงเทพไปเลยไม่เกินเจดวันเพื่อนที่ยืมเงินไปจะเอาเงินมาคืนแน่นอนลูกสาวแกก็ดีใจวันถัดมาก็เลยรีบกลับกรุงเทพหลังจากนั้นประมาณสามสัปดาห์ก็มีจดหมายมาถึงลุงปันเป็นจดหมายของลูกสาวแกเขียนมาบอกว่าตอนนี้ได้เงินคืนแล้วเพื่อนที่เคยยืมเงินไปเนี่เอามาคืนแล้วหลังจากนั้นลุงปันแกก็เอาเงินที่ซ่อนไปถวายวัด คืนผู้หญิงคนนั้นแต่เรื่องมันไม่จบนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากลุงปันแกเอาเงินไปถวายวัดแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็กลับมาทวงเงินที่บ้านแกทุกคืนแต่ลุงปันแกก็บอกไปบอกกู ค, คืนมึงไปแล้วนะกูเอาไปถวายวัดให้มึงแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่ากูไม่ได้กูไปทวงมันมาแล้ว ลุงปันแกก็ไม่ได้สนใจแล้วค่ะบวกกับแกคงรำคาญเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยเอาเงินไปคืนแล้วแกก็เลยตะโกนออกไปบอกอย่ามายุ่งกับกูเดี๋ยวมึงเจ็บตัวนะผู้หญิงคนนั้นบอกกูไม่กลัวลุงปันแกก็เลยสวดคาถาไล่ผู้หญิงคนนั้นแต่เรื่องมันดันกลับตลบปัดค่ะคุณผู้ฟังผู้หญิงคนนั้นแทนที่จะกลัวแต่เดินกลับเข้ามาในบ้านของแกแทนพอแกเห็นแบบนั้นแกก็ยิ่งสวดหนักขึ้น แต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ได้มีความกลัวหรือสะทกสะท้านในคาถาที่แกสวดเลยพร้อมทั้งยังสวดย้อนกลับมาให้แกฟังอีกด้วยและผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าที่มึงสวดน่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยตอนนั้นลุงปันแกเริ่มกลัวแล้ว哈แกก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้แกไปทําศพเนี่ยคงไม่ธรรมดาแน่ผู้หญิงคนนั้นจากที่อยู่ตรงประตูหน้าบ้านค่อยๆเขยบเข้ามาเขยบเข้ามาเรื่อยๆจนเข้ามาประชิด ต, ตัวแก แล้วก็ค่อยๆเอาหน้าเนี่ยเข้ามาใกล้แกเรื่อยๆค่ะจนหน้าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาแนบที่หูของแกแล้วก็กระซิบบอกว่ามึงทําผิดคนละลุงปันแกสะดุ้งตื่นเลยคุณผู้ฟังแกบอกว่าตอนที่แกสะดุ้งตื่นขึ้นมานั้นเนี่ยเสียงผู้หญิงคนนั้นยังดังก้องอยู่ในหูราวกับเรื่องที่แกเจอเนี่ยเป็นเรื่องจริงพอตอนเช้าแกก็เลยรีบปั่นจักรยานไปบ้านหลังที่แกทําศพแกเดินเข้าไปถามว่าคนที่ตายนี่มาจากไหน เป็นลูกของบ้านนี้หรือเปล่าแต่ว่าบ้านนั้นก็บอกลุงปันบอกผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสะใภ้ของที่บ้านเธอเป็นกะเรียงบ้านของเธอเป็นหมู่บ้านกระเลียงอยู่ถัดไปอีกสองหมู่บ้านนู่นลุงปันแกก็รีบตามไปที่หมู่บ้านกระเลียงเพื่อที่จะไปสอบถามกับนายบ้านของเธอว่าลูกสาวของบ้านไหนซึ่งหมู่บ้านกะเรี่ยงหรือคนกระเลียงนี่เขาจะมีนายบ้านประจําหมู่บ้านก็คล้ายๆกันกับผู้ใหญ่บ้านแหละนะคะ พอไปถึงนายบ้านของกะเหรียญก็บอกกับลุงปันบอกว่าบ้านของเธออยู่ท้ายท้ายหมู่บ้านนูน่นพ่อเธอเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านหลังจากนั้นแกก็ไปบอกกับที่บ้านของเธอแกก็ไปขอร้องให้พ่อเธอช่วยแกด้วยพ่อของเธอก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปคุยกับลูกสาวเขาเอาลุงปันแกก็เลยหยิบเงินให้ประมาณ500บาทแต่พ่อของผู้หญิงคนนั้นบอกไม่เอาเพราะลูกเขาแต่งงานออกไปแล้วไม่ใช่คนบ้านเขาอีกให้ไปจัดการกันเอง หลังจากนั้นลุงปันแกก็กลับมาบ้านค่ะแต่กลับมาก็นอนไม่ได้เลยซักคืนเวลาจะนอนผู้หญิงคนนั้นก็จะมาถามหาเงินอยู่ตลอดเวลาและทุกๆเช้าแกก็จะเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านพอไปตามพระมาช่วยก็ยังเหมือนเดิมพระอาจารย์ก็เลยบอกให้แกไปเอาเงินจากที่วัดเอาไปทำบุญเนี่ยเอามาคืนซะแล้วก็ให้เล่าเหตุผลที่เอาเงินคืนเนี่ยให้กับทางวัดฟังด้วยลุงปันแกก็เลยรีบไปที่วัดทันที แกหายไปพักหนึ่งค่ะแกก็กลับมาพร้อมกับเงินจํานวนหนึ่งหลังจากที่พระอาจารย์ฉันเพนเสร็จท่านก็พาลุงปันไปวัดที่เอาศพผู้หญิงคนนั้นไปเผานะคะพระอาจารย์ก็สวดทําพิธีอยู่พักหนึ่งแล้วก็ให้ลุงปันนี่เอาเงินที่ได้มาเนี่ยเผาในที่ที่เผาศพเธอด้วยหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าเอาเงิน500อที่ลุงปันจะเอาไปให้พ่อของเขาเนี่ยมาเผาด้วยถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเขาหลังจากทําพิธีเสร็จนะคะพระอาจารย์ก็บอกกับลุงปันว่า คงไม่มีอะไรแล้วล่ะพระอาจารย์ท่านก็เลยขอตัวกลับแต่ก่อนจะแยกย้ายกันค่ะลุงปันก็เดินมากระซิบบอกกับเจ้าของเรื่องนี้บอกว่าอีผู้หญิงที่นั่งอยู่หลังบ้านน่ะมันไม่ใช่ลูกแกลูกแกไปทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่วันนั้นแล้วเท่านั้นแหละค่ะเจ้าของเรื่องบอกผมช็อกช็อกจนไม่รู้จะช็อกยังไงว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยที่มันนั่งอยู่หลังบ้านเนี่ยมันคือผีนั่นเองค่ะ ขอบคุณเครดิตเรื่องเล่าจากสมาชิกเพจเรื่องเล่าผีอ่านเรื่องผีคนชอบเรื่องสยองขวัญจาก Facebook อะไรนะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่คุณสมศักดิ์บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะคะสมัยนั้นคุณสมศักดิ์ทางานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพหลโยธินคอนโดนี้จะมีอยู่กว่า20ชั้น ส่วนชั้นที่18กับชั้นที่19เนี่จะเป็นบิวอินทั้งหมดเลยคือเป็นห้องที่เชื่อมต่อกันทั้ง2ชั้นส่วนชั้นที่13จะเขียนเป็นชั้น 12A แทนนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณสมศักดิ์ได้เล่าว่าเมื่อตอนนั้นบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งได้ย้ายผมมาที่คอนโดนี้โดยที่ผมไม่เคยรู้ประวัติมาก่อนเลยและผมก็ได้รู้จักกับพวกพี่ พ, พี่รักษาความปลอดภัยที่เขาอยู่ที่นี่มาก่อน พวกพี่ๆเขาก็เข้ามาพูดทีเล่นทีจริงกับผมว่าเฮ้ยคอนโดนี it, here, here, here, ้ถ้ามาแล้วไม่เจอแปลว่ามึงมาไม่ถึงตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวนะ <c oughs> ก็คิดว่าพวกเขาคงแค่มามาหยอกน้องใหม่นะีคะแต่คอนโดนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งคุณสมศักดิ์บอกว่าคือคอนโดนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นพวกคนมีเงินอยู่กันแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าเอ๊ะทไมมันเงียบจังเหมือนไม่มีคนอยู่อาศัยเลยหลังจากที่ มาประจำอยู่ที่คอนโดนี้ได้3เดือนก็ไม่เคยเจออะไรเลยนะจนกระทั่งเดือนที่4ค่ะมันทำให้ถึงกับลืมไม่ลงเลยทีเดียววันนั้นเป็นวันที่ต้องเข้ากะดึกแล้วก็เป็นเวรที่ต้องขึ้นไปเดินตรวจความเรียบร้อยตั้งแต่ชั้นที่21ลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นที่1ผลัดกับพวกพี่ๆอีก3คนคนละหนึ่งชั้นอคนละหนึ่งชั่วโมงนะคะคืนนั้น ก็ถูกเลือกให้เป็นคนที่จะต้องขึ้นไปคนแรกแล้วก็เป็นช่วงเที่ยงคืนพอดีพอดีแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าทํางานที่นี่มา3เดือนแล้วยังไม่เจออะไรเลยก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่21ตามปกติแต่ว่าวันนั้นระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นคุณสมศักดิ์เองก็ยืนชิดอยู่ที่หน้าประตูลิฟต์บรรยากาศในตอนนั้นคือเงียบสงัดอยู่ๆก็รู้สึกเสียวสั่นหลังว่าบขึ้นมาเฉยๆแล้วก็รู้สึกเหมือนมีเสียงหายใจค่ะดังขึ้นมาจากด้านหลัง ทั้งๆ ท, ที่อยู่ในลิฟต์เพียงคนเดียวไม่กล้าหันหลังไปมองก็ได้แต่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็กลั้นหายใจเพื่อที่จะได้ลองฟังเสียงดีๆเผื่อว่าหูจะแววไปเองแต่พอลองกลั้นหายใจฟังอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทีนี้พอลิฟต์ขึ้นไปถึงประมาณชั้น12อยู่ๆค่ะไฟในลิฟต์มันก็กระพรบแวบแล้วก็เหมือนจะดับแหลม่ดับแหลจากนั้นก็รู้สึกเริ่มใจคอไม่ดีละ แต่แล้วไฟมันก็ดับสนิทไปเฉยๆโดยที่ลิฟต์ยังคงไปต่อตอนนั้นคุณสมศักดิ์บอกคนลุกวาบเลยครับแต่พยายามไม่คิดอะไรนะชั่วอึดใจเท่านั้นเองเสียงมาเลยเสียงคนหายใจแบบดังแรงฟืดฟาดฟืดฟาดแทบจะรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ท้ายถอยเหมือนมีคนมาหายใจรถต้นคออยู่ยังไงยังงั้นแต่ว่าสักพักหนึ่งไฟมันก็ติดขึ้นมาแบบดื้อๆพร้อมกับลิฟต์ที่ถึงชั้นที่21พอดี คุณสมศักรีบเดินออกจากลิฟต์โดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองเลยค่ะจากนั้นก็เริ่มทำหน้าที่ต่อไปคือเริ่มเดินล ง, ลงมาจากบันไดเรื่อย ๆ, ๆเป็นลักษณะของการเดินแบบค่อนข้างรีบเดินลงมาจนถึงชั้น12 a ได้ยินอีกแล้วคราวนี้เป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงเหมือนดังกล้องมาจากชั้นบนช่วงทางเดินจากที่กำลังเดินๆอยู่เนี่ยรีบเปลี่ยนเป็นวิ่งลงบันไดเลยค่ะ พอวิ่งลงมาถึงชั้นอะไรก็จําไม่ได้แต่ว่าสายตามันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้าสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงตั้งแต่ช่วงคอถึงเท้าเนี่ยห้อยลงมาจากเพดานแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยจมหายขึ้นไปบนเพดานค่ะตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยขาแขนมันชาไปหมดแล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวคือโลกมันหมุนแบบไม่รู้สึกอะไรสักอย่างแล้ว ได้แต่เดินถอยหลังอย่างเดียวเอามือปิดหูเดินจนออกไปเจอลิฟต์แล้วก็กดลงไปชั้นหนึ่งทันทีตลอดเวลาที่อยู่ในลิฟต์ก็ยังคงมีเสียงหายใจดังอยู่ข้างหลังพร้อมกับเสียงพูดว่าจะไปไหนไม่ตรวจก่อนหรอตอนนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกอู้ผมทำอะไรไม่ถูกได้แต่เอามือปิดหูน้าตามันก็ไหลเพราะความกลัวพอลิฟต์ลงมาถึงชั้นหนึ่งาวิ่งออกไป เจอโอเปอเรเตอร์แล้วก็ลูกบ้านที่นั่งกันอยู่ที่ล็อบบี้เขาก็งงว่าเป็นอะไรเพราะว่าตอนนั้นเหมือนคนสติหลุดพอเห็นคุณสมศักดิ์วิ่งใบร้องไห้ไปจากในลิฟต์หลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็ลองถามพวกช่างประจำตึกเก่าๆดูก็ได้คำตอบว่าเ้ยโดนกันทุกคนไม่มีใครที่เคยมาอยู่แล้วไม่โดนเพราะเธอคนนี้ตกตึกตายเมื่อสมัยตอนที่สร้างคอนโดนี้เสร็จแล้วแต่ว่าวิญญาณเธอเนี่ยกลับไม่ยอมไปไหน นั่นก็เป็นเรื่องที่คุณสมศักดิ์เจอมานะคะประสบการณ์หลอนๆจากพี่รอปพเฝ้าคอนโดค่ะลองตรวจดูคอนโดแต่ละชั้นแต่ละชั้นจนมาเจอแจ็คพอตชั้นอะไรก็ไม่รู้เอาหัวมุดเข้าไปในเพดานแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยห้อยลงมาห้างร่างถ้าคุณผู้ฟังเจอแบบนี้เนี่ยจะขำไหมคะหรือว่าจะวิ่ง แต่ถ้าเป็นบีเจอเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าช็อกตายเป็นศพต่อไปแน่นอนเลยขอบคุณจากเว็บ The h o ฮาออนไลน์ด้วยนะคะกับเรื่องราวเหล่านี้ที่บีขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเลิฟย้อนกลับไปประมาณ10ปีก่อนตอนที่คุณเลิฟเนี่ยเรียนจบใหม่ช่วงนั้นคุณเลิฟบอกว่าผมเที่ยวกลางคืนเกือบทุกคืนมีเพื่อนกินเหล้าเข้าผับตลอด จนมีอยู่วันนึงคุณเลิฟไปเจอผู้หญิงคนนึงในผับค่ะเธอสวยแล้วก็อายุไล่เลี่ย ก, กันก็เลยบอกกับเพื่อนบอกว่าชอบเธอแล้วก็จะจีบเธอแล้วก็ได้จีบด้วยนะคะจีบติดอีกค่ะช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลงจนโงหัวไม่ขึ้นถึงขนาดพาไปอยู่ที่บ้านเลยแต่ว่านิสัยของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนขี้เกียจตื่นสายงานบ้านไม่ทําจานไม่ล้างเอาแต่ใช้เงินแล้วก็เที่ยวเตะไปเรื่อยซึ่งคุณแม่เนี่ยไม่ชอบเธอเอามากๆเลย และเธอก็ยังทะเลาะ ก, กันกับแม่ของคุณเลิฟบ่อยๆอีกด้วยนะคะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกับแม่เลยคุณเลิฟก็เลยทนไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากไล่เธอออกไปจากบ้านแต่เธอไม่ร้องไห้เลยนะแถมยังชี้หน้าคุณเลิฟกับคุณแม่แล้วก็พูดจาอาฆาตไว้บอกว่าแล้วพวกมึงจะได้เห็นดีกูไม่เอาพวกมึงไวแน่แล้วเธอก็เก็บข้าวของออกไปจากบ้านค่ะ ช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่ของคุณเลิฟก็ห้ามเที่ยวกลางคืนอีกเลยเพราะว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะจ้างคนมาทําร้ายก็ได้แต่คุณเลิฟก็บอกโอเคไม่ไปก็ไม่ไปก็เลยได้ได้อยู่กับบ้านถ้าเหงาก็ซื้อเบียร์มานั่งจิบในห้องเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วคืนนึงก็เกิดเรื่องจนได้เพราะว่าวันนั้นคุณเลิฟบอกรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ช่วงหัวค่ําแล้วคือมันรู้สึกว่าตัวมันร้อนๆเหมือนจะเริ่มเป็นไข้ อาบน้ำก็ไม่หายก็เลยกินยาแล้วก็เข้านอนตั้งแต่สองทุ่มนอนไปดิ้นไปดิ้นมาอยู่ไม่หลับนะคะอยู่ๆก็คิดถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาดือด้อๆคุณเลิฟ บ, บอกว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าไม่เคยคิดถึงเธอเลยตั้งแต่เธอจากไปคุณเลิฟก็เลยลุกขึ้นจากเตียงไปดื่มน้ำในตู้เย็นแล้วก็รู้สึกเหมือนมันมีลมพัดมาปะทะตัววูบหนึ่งคือลมนั้ น, นแรงมาก ก็เลยมองไปที่หน้าต่างห้องครัวก็เห็นว่ามันเปิดอยู่ก็เลยเข้าใจว่าเออฝนใกล้จะตกลมก็คงจะพัดเข้ามาก็เลยเดินไปปิดหน้าต่างแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะหลับแต่แล้วก็ต้องมาสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งคือเมื่อนอนตะแคงอยู่แต่ว่ามันรู้สึกเหมือนมีคนมานอนข้างหลัง ได้ยินเสียงหายใจคือชัดเจนมากเลยเสียงดังฟืดฟาดฟืดฟาดยาวๆเป็นจังหวะตอนนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีล้วค่ะสักพักหนึ่งสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันก็ดึงมือคุณเลอฟไปเริ่มรู้สึกได้ถึงความเย็นเหมือนเอามือไปแช่น้ําเย็นยังไงย่างงั้นเลยก็เลยรวบรวมกําลังเด้งตัวขึ้นมาแสงไฟจากโคมไฟบนหัวนอนทําให้มองเห็นรอบๆห้องได้แต่มันไม่มีอะไรค่ะคุณผู้ฟังทุกอย่างว่างเปล่า ตอนนั้นคุณเลิฟ บ, บอกไม่กลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าตกใจมากกว่าก็ยังคิดเอาว่าฝันไปหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเกิดจากพิษไข้ก็น่าจะเป็นได้จนเช้าต่อมาค่ะก็ไปทํางานตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตกตอนกลางคืนเท่านั้นเวลานอนเนี่ยมักจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆแบบเดียวกันอย่างที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แหละอยู่บ่อยๆนะคือคืนแรกก็เจอแล้วก็เว้นสองสามคืนแล้วก็มาเจออีก จนหลังๆมาที่คือเจออยู่ทุกคืนแล้วก็คืนที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงค่ะคืนนั้นเข้านอนตามปกติแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนพอกำลังจะเคลิ้มหลับไอ้สิ่งนั้นมันก็มาอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้มันจัดหนักเลยค่ะมันมาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงมาครบคือมันมานอนกอดแล้วก็เหลือบหางตามอง มันเป็นรูปร่างเหมือนคนตามตัวมันมีแผลเหมือนแผลไฟไหม้ดำๆแดงๆทั้งหน้าทั้งตัวเลยกลิ่นมันเหม็นเหมือนเนื้อเน่าไม่ไหมเข็มๆลอยตลบอบอวนไปทั่วห้องและยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคุณเลิฟ บ, บอกว่ามันกระซิบว่าเรารักเธอนะเรารักเธอนะแล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะเยาะนะคะจนแสบแก้วหูไปหมดเลย คุณเลิฟกลัวจนร้องไห้ฉี่แทบแตกนี่เล่าแบบไม่อายเลยนะคือกลัวจนช็อกสลบไปเลยมารู้สึกตัวก็เช้าแล้วจับไข้ไปอีกรอบก็ไม่ได้ไปทำงานแต่ก็ยังไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเพราะกลัวว่าแม่เนี่ยจะเป็นห่วงจนช่วงนั้นเนี่ยไม่อยากจะให้มีกลางคืนเลยก็ว่าได้ทีนี้พอพระอาทิตย์ตกดิน คุณเลิฟก็ไม่อยากจะเข้านอนบางคืนนะ้ฝืนไปนอนหนุนตีสองตีสให้มันง่วงจัดจัดจนสวิตมันตัดไปเองแล้วค่อยนอนแต่ว่าบางครั้งก็ไม่รอดมันก็ยังตามมารังควานอยู่ตลอดจนเริ่มเอจนร่างกายเริ่มโทรมเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนหนักเข้าค่ะไม่นอนบ้านพอเลิกงานกลับมาอาบน้ํากินข้าวกับแม่เสร็จก็โกหกว่ามีงานแล้วขับรถออกไปจนกว่าจะง่วงก็อาศัยจอดนอนตามปั๊ม ตามที่จอดรถในโรงแรมตามอพาร์ตเมนต์ที่เขาให้จอดฟรีเป็นแบบนี้อยู่หลายวันแต่ก็แปลกนะคุณผู้ฟังคุณเลิบตั้งข้อสังเกตว่าเวลานอนในรถเนี่ยมันไม่เจอไอ้สิ่งที่ว่าแต่ก็ไม่ไหวแล้วค่ะร่างกายมันซุดสทรมลงเรื่อยๆไปหลับตอนทำงานเป็นประจำจนถูกตำหนิเสียการเสียงานเสียสุขภาพทางกายทางจิตใจเสียไปหมดเลยจน เ, นเพื่อนเริ่มบอกก็เลยเริ่มพูดให้เพื่อนๆฟัง ซึ่งก็ไม่รู้ตัวเองมาก่อนได้แต่งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะก็พูดกับเพื่อนไปนะคะจนพอกลับมานอนบ้านไอ้สิ่งที่เคยเจอทุกๆคืนเชื่อไหมร้องไห้เลยนะหัวเราะชกกำแพงเหมือนสติหลุดเลยจนแม่ก็นึกว่าเป็นบ้าต้องพาไปรักษากับจิตเวชพอเล่าเรื่องให้หมอฟังหมอก็บอกว่าคิดไปเองเครียดมีอาการของโรคซึมเศร้าก็เลยให้ยานอนหลับมากินตอนนั้น คุณเลิฟบอกผมเสียงานหมดเลยโดนเลิกจ้างเพื่อนฝูงไม่คบเพราะคิดว่าบ้ามีแต่แม่เท่านั้นที่คอยดูแลแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณเลิฟคิดอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆคือมันกลัวจนถึงขีดสุดแล้วล่ะจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะขับรถออกจากบ้านไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายรู้สึกว่าเริ่มคอแหง้งก็เลยซื้อน้ำดื่มขณะกาลังเลือกน้าในตู้หูก็ได้ยินเสียงคนแก่สองคนคุยกันจับใจความได้บอกว่า ลูกเขยฉันน่ะโดนเมียน้อยทําของเกือบตายแล้วดีนะได้อาจารย์ช่วยไว้เท่านั้นแหละค่ะมันเหมือนมีพระมาโปรโดหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเทปกรอย้อนกลับไปถึงคําพูดอาฆาตของเธอคนนั้นแล้วก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าเอ้ยกูโดนของหรือเปล่าวะเขาไม่รอช้าเดินเข้าไปหาป้าสองคนแล้วถามว่าอาจารย์ท่านนั้นอยู่ที่ไหนป้าแกก็ทําหน้างงๆแต่แกก็บอกที่อยู่กับคุณเลิฟมานะ ป้าแกบอกว่าอาจารย์เนี่ยชื่ออาจารย์สมบัติเป็นหมอศัยศาสตร์แก้มนดําต่างๆก็เลยรีบจดที่อยู่อย่างละเอียดพอกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังแม่นี่ตกใจแทบร้องไห้พร้อมกับถามว่าทําไมไม่รีบบอกปล่อยให้จนถึงขนาดนี้ไม่ตายก็บะไม่บ้าก็บุญแล้วลูกจนวันรุ่งขึ้นค่ะคุณเลิฟกับแม่ก็รีบออกจากบ้านไปตามที่อยู่ของอาจารย์สมบัติทันทีทางไปค่อนข้างไกลแล้วก็กันดานมาก ออกจากตัวอำเภอไปใกล้ค่ะแถมยังต้องเข้าไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีถนนมีแต่ทางลูกรังแล้วก็คันนาซึ่งอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยค่ะกว่าจะไปถึงเนี่ยก็เล่นเอาเหนื่อยพอไปถึงอาจารย์ก็นั่งหลับตาแล้วก็บอกว่าโดนของจริงๆของแรงมากเป็นของพวกแขกถ้าไม่แก้นี่อาจถึงตายหรือไม่ก็เป็นบ้าไปเลยนะแล้วอาจารย์ก็บอกให้เตรียมของมาในวันรุ่งขึ้นของที่จะต้องให้เตรียมมาก็มีไข่ไก่หกฟองมีทูบ มีเทียนขี้พึ่งแท้บุรี่หมากพลูแล้วก็น้ำเปล่าพอวันรุ่งขึ้นนะคะเขาก็คือคุณเลิฟนี่แหละกับแม่เนี่ก็กลับมาหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งอาจารย์บอกว่าให้ถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็ให้นุ่งผ้าเข่าม้าเพื่อทําพิธีขั้นแรกก็ให้แม่เนี่เอาไข่ไก่ที่ซื้อมา6กฟองมาวนรอบๆตัวตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าหลังจากนั้นอาจารย์ก็ตอกไข่ใส่กละมังให้ดูคุณผู้ฟังเชื่อไหมค่ะว่าไข่ทั้งหกฟองที่ตอกออกมาเนะนี่ยคือมันเน่าหมดเลย บางลูกก็มีหยดเลือดบางลูกไข่แดงแตกเป็นสีคล้ำบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเลิฟเป็นคนไปซื้อไข่มาเองจากเซเว่นมันจะเน่าได้ยังไงทั้งหกฟองแถมก็เลยมองอาจารย์ตลอดด้วยเพราะว่าเคยฟังมาเหมือนกันเรื่องเล่นกลนสลับของอะไรแบบนี้แต่นี่คืออาจารย์กระทำให้ดูเห็นๆ เ, เลยนะรับไข่จากมือแม่ไปแล้วก็ตอกสดๆให้ดูตอนนั้นคุณเลิฟ ก, กับแม่ก็เลยเชื่อจริงๆแล้วว่าโดนของ พอตอกไข่เสร็จค่ะอาจารย์แกก็ให้ไปนั่งอยู่ที่นอกชานแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอทางทิศตะวันตกขอภัยค่ะเหยียดขานั่งพนมมือแล้วอาจารย์แกก็สวดคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องสวดอยู่ น, นั่นพร้อมกับทําน้ำมนต์ไปด้วยแต่ว่าในขณะที่สวดอาจารย์แกก็ถือดาบยาวเท่าศอกค่อยๆเอามีดวางลงบนหัวบนหลังบนแขนบนขา เหมือนแต่ๆนะคะทําแบบนั้นสลับไปมาอยู่พักใหญ่จนคุณเลิฟเริ่มรู้สึกเวียนหัวในหูนี่มันมีเสียงวิ่งวิ่งเหมือนจะเป็นลมเสียงสวดอาจารย์ยังคงก้องกังวานก็เลยรู้สึกขนลุกตลอดเวลาที่อาจารย์สวดแล้วลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุในขณะที่กําลังมืนงงอยู่นั่นเองค่ะก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมากระทบที่หลังอย่างแรง3ามครั้งเสียงดังปักป๊กปัก๊กปั๊กเลยนะคะทำเอาเจ็บแล้วก็จุก สักพักหนึ่งก็ถูกน้ำเย็นๆเนี่ยราดลงบนหัวโครมใหญ่ตอนนั้นรู้สึกโล่งเหมือนอะไรบางอย่างไหลออกจากตัวไล่ไปถึงปลายเท้าแล้วมันโล่งสบายหูหายอื้อตาสว่างสมองโปร่งเหมือนคนนอนเต็มอิ่มอ่ะแล้วอาจารย์ก็ตบไหล่แล้วก็บอกให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ ทีนี้พอจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มานั่งฟังอาจารย์แกก็บอกว่าของที่โดนเนี่ยคือมันเป็นของแขกนะมันใช้ผีตายโหงที่เผาไม่ไหม้มาเล่นงานเองอาจารย์รู้ว่าเป็นใครทำแล้วก็ได้ส่งมันกลับไปแล้วแต่เองไม่ต้องรู้หรอกว่าใครแค่ทำบุญให้มากๆก็พอ อาจารย์ยังบอกอีกบอกว่าให้เอาน้ำมนต์ที่ทําเนี่ยไปพรมทั่วบ้านแล้วก็อาบดื่มกินเพื่อไล่เอ้พรายจากตัวของคุณเลิฟเนี่ยออกไปแล้วก็ออกไปจากบ้านให้หมดสิน้นเป็นเวลาเจวันก็จะไม่มีอะไรแล้วคุณเลิฟกับแม่ก็ลาอาจารย์กลับแม่ก็ส่งเงินให้อาจารย์หลายพันบาทแต่อาจารย์กกไม่รับนะแกขอค่าครูแค่7บาทเท่านั้นก็พอคุณเลิฟบอกนี่ผมอึ้งเลยศรัทธามากขากลับก็เลยถามแม่ว่าอาจารย์ทําอะไรผมรู้สึกเจ็บหลัง แม่ก็เลยบอกว่าอาจารย์แกเอามีดดาบฟันลงกลางหลัง3ามครั้งติดกันอย่างแรงเนี่ยขนาดแม่นั่งห่างยังได้ยินเสียงชัดเจนตกใจเหมือนกันแม่บอกพอกลับมาถึงบ้านเปิดดูเสื้อด้านหลังก็พบว่ามีแค่รอยแดงจางๆเท่านั้นซึ่งมันก็แปลกมากนะคะเพราะว่ามีดดาบคมขนาดนั้นแถมยังฟันแรงขนาดนี้กลับไม่เข้าเนื้อเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ที่ถูกฟันเนี่ย มันเป็นร่างกายของเขาหรือว่ามันเป็นตัวของผีที่มันเข้าสิงอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นคุณเลิฟก็ไม่เคยได้เห็นผีตนนี้อีกเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็ขอบคุณเครดิตจากคุณเลิฟด้วยนะคะจากเว็บไซต์ผันทิพกระทู้ผี วันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ